อุทยานีแผ่นดินพระบรมชนกนาถในพระบาทสมเด็จพระ เรียกกันในยุคสมัยนั้นว่ากันในยุคสมัยนั้นว่าวัดจันทร์ 2332 หลวงพ่อใหญ่พ่อใหญ่ ชาวบ้านจึงนิมนต์ขอให้ท่าน ซึ่งเนื่องด้วยขยายอนาเขตวีระถาวโรอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธา บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะและสร้างพระอุโบสถๆอย่างมากมายทั้งนี้เพื่อ เป็นสถานที่จำพันษาของพระสงฆ์ท่านหนึ่งที่สมควรได้รับการเคารพสักการะ สมกับเป็นสาวก 28 มิถุนายนพุทธศักราช 2460 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 8 มีมสิงห์ตามใบสุทธิ์เดิมชื่อสังเวียนเป็นบุตร เมื่อวัย 2466 เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดบางหนองโคอำเภอเสนา 2475 ได้เข้ามาอยู่ ได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณครั้นถึง 2479 ได้เข้ารับราชการ หลวงพ่อมีเจตนาคือไม่บวชตามประเพณีพอครบอายุบวชก็ วัดบางหนองโคไปหลวงพ่อปานที่การเห็นผีแพทย์ทหารเรือหลวงพ่อปานท่านเทวดาพอเทศน์จบหลวงพ่อปานท่าน หลวงพ่อกราบเรียนว่าไม่เคยเห็นต้องเห็นถึงจะเชื่อๆ4 คำให้ทุกคนภาวนาเป็น อยากหลวงพ่อบอกว่าอยากเห็นหลวงพ่อปานท่านบอกว่าเป็นปกติไหมหลวงพ่อบอก 2480 ขณะนั้น 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมพุทธศักราช 2480 เวลา 13 น. ณวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกสโล เป็นพระถาวโรได้รับฉายาว่าฐาวโรคำ หลวงพ่อปานโสนันโทและหลวงพ่อเล็กขณะเข้าบวดหลวงพ่อปานท่านบอกพระอุปชาว่าสวดขณะท่านอุปชาท่านยิ้มแล้วพูดว่าหลวงพ่อเพราะมีลูก เมื่อจะศึกไม่เมื่อเข้าป่าแล้วเสียดายนะลูกก็เสีย ช่วยสอนวิชาเข้าป่าต้องอยู่สอนบริวาณจนตายหนักหน่อยท่านองค์นี้จง 20 พรรษาจงออกจากสำนักเดิม เท่าบวดพวกเธอเลยบวชผู้เป็นอุปชาเธอเลยพระครู อารมณ์ของพระเพราะว่าเห็นอะไรมันดีหมดเดือนนี้ความเป็นพระน้อย จึงท่านก็บอกว่ากราบเรียนถามหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าอยาก กเอกาสนิคังคะหมายความว่ากินเตจีวลิกังคะใช้ผ้าสามผืนผ้า 3 ผืนเอาได้ฉันจะขึ้น ใช้ผ้าสามผืนผ้า 3 ผืนเป็นอันว่ากิน เวลาไปบินทบาดก็ว่าอิติปิโสว่าเรื่อยไปจนกว่าจะกลับนึกในใจ การถือเอกากินข้าวต่อมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าหลังจากนี้ไปบางคนเขาก็ถือ เราไม่กินไม่กินนั่งกินร่วมวงกับพระ 3 ปีก็ยังกินข้าวเวลา ตามที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ท่านตรัสว่ามรรค ในเมื่อเราออกพรรษาไปแล้วก็มานั่งปรึกษาว่าถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็ขาดจาก ถ้าอยู่ไม่ตลอดมันก็ไม่ดีเหมือนกันเวลานี้กิเลสทุกอย่างก็ห้ามหั่นเราเราไม่ได้ เรเราก็บวดใหม่ได้ก็บวชใหม่ได้ระหว่างปรึกษากันกับพระเพื่อนๆอีก 2 มันไม่มีทางชนะมันหรอกออกไปแล้วนอก ใครเค้าจองเธอหลายคนและที่เค้าจอง ออกมาอีกก็เป็นขันธ์ 20, 20. เพียงแค่ขันธ์ 5 อย่างเดียว 20 30 40 ขันธ์มันจะมีสุขได้อย่าง หรือว่าอยากจะไปเป็นเราก็เอมีเมียเราก็ บวชเมื่อทนไม่ไหวจริงไป สิณเราออกทุดงกันนับแล้วใช้ผ้าสามผืนแต่บางครั้งก็ถือนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นมาราคะความรัก โลภะความโลภมันยังมีโทสะความโกรธมันยังมีโมหะความหลงมันยังมีจึงตัดสิน ปกติมันเป็นอย่างไรครับปกติก็เดินไป ก็เลยตัดสินใจบอกว่าเลยตัดสินหลวงพ่อปานบอกว่าผมต้องการอุปกฤต 3 องค์ไปพร้อม อีกถ้าแกไม่ได้กินข้าวนี้แกก็ไม่ต้องกินอะไรทั้งหมดแกถ้ามันอยู่ในป่าไม่ได้กินข้าวเทวดามาก็ 2-3 ชั่วโมงก็ยิ่งไกล ก็มันเป็นเป็นสุขอารมณ์มันเป็นเอกคตะอารมณ์ ก็มานั่งปรึกษากันว่าวันวิสาขบูชา เป็นพุทธนิมิตก็เราถือว่านั่นคือพระพุทธเจ้าเพราะจิตเราไม่ติดที่รูปจิตเราติดที่พระพุทธเจ้าตามภาพ เราจะเราจะเวียนเทียนเราก็ไม่มีเจดีไรดีในวันวิสาขบูชาเราจะ ตุ๋มสององค์ก็บอกว่าในห้องของถามว่าเราจะไปไหนกันดีเขาก็เลยบอกว่าทางที่ดีก็คือก็บอกว่า เพราะว่าที่ 2 องค์นั้นคือสาวกภูมิหลวงพ่อท่านๆและการไปไหนก็ไปแค่ยันพรมไปขณะนั่งคุยกันอยู่นั่นเองก็ปรากฏอง เสือหลายพาดกลอน 2 เสือหลวงพ่อท่านจะไม่เรียกเป็นตัว 2 เสือ แต่วันนี้เจอเสือลายพาดกลอนแล้ว เวลานี้เราก็ต้องตายมาถ้าเสือทําร้ายเราเราก็ต้องตายแต่ความตายของ ถ้าหากก็มีความรู้สึกว่าเราไปชั้นดุสิตไม่ดีหรือในเมื่อเรา พร้อมวิมาณหลังหนึ่ง 1 วิมานหลัง 1 มีพรหมองค์เดียว ก็เริ่มอานาปานสติแล้วเห็นตามเดิมก็ย่าง 3 ขุมเข้ามา คราวนี้กายเนื้อมันจะตายแต่กายที่ไม่ใช่กายเนื้อเรา เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าผู้หญิงมาก ไม่ไปไหนก็คิดว่าร่างดีถ้าตายเวลานี้เราก็ ต่างทำสมาธิสักพักใหญ่ๆเสือก็ไม่กินพอลืมตาขึ้นมาดูเสือนั่งข้างหน้าตาเฉยนั่งมองเสือขยับหนวดขยับปากแต่แยกเขี้ยว ไม่ใช่ขยับเขี้ยวเสือขยับหนวดขยับปากก็บอก ศีลเถระตัวแรกที่พูดเสียงเหมือนหลวงพ่อปานชัดเจนและเสือตัวที่ 2 ก็พูดเบาๆเหมือนเสียงหลวงพ่อจงท่านบอกว่าการตัดสินใจอย่างนี้ถูกต้องทุกองค์ 2 องค์นั้นตัดสินใจเพื่อนิพพานเพราะเป็นพุทธสาวกปรารถนาสาวกภูมิถูกต้อง ต้องทำอย่างนี้และองค์นี้ปรารถนาพรหมเพราะปรารถนาพุทธภูมิตั้งใจไปพรหมรวมความ หรือไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิต้องกลัวแต่การคลายตัวเป็น ในเมื่อกลายเป็นหลวงพ่อทั้งสองก็ลุกขึ้นกราบท่านด้วยความถามว่าดีใจหรือก็บอกว่าดีใจขอรับถามท่านว่าหลวงพ่อเป็นเสือได้อย่างไรท่าน มันเรื่องของฉันไม่ต้องถามพวกเธอทําตาม รับกฐินแล้วท่านก็ชวนพระและญาติโยมพุทธบริษัทจากกรุงเทพฯมีเรือยนต์นาย ต่างองค์ต่างนมัสการต่างองค์ต่างไหว้ต่างองค์ต่างกราบกัน ไม่พามาหาแต่ก็จะส่งมาฝึกเอ้าเต็มใจมาเมื่อไหร่ก็ เป็นอันว่าหลังจากไปวัดหลวงพ่อโหนงกับหลวงพ่อปาน อย่างท่านมีความสามารถไปทางหนึ่งหลวงพ่อหนองก็มีความสามารถไปอีกทางหนึ่งแต่ว่าหลวงพ่อหนองนี่มี ที่บอกว่าติดต่อกับพระเขาบอกว่าได้ติดต่อกับพระ ศูนย์แต่ความชั่วแต่ว่าตัวจริงๆคือกําลังจิตไม่ศูนย์ไปด้วยมีความ เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนียมหลังจากกลับจากวัดหลวงพะโนนต่อมาไม่ช้าไม่นานหลวง หลังจากที่วัดดูสภาพเงียบเหงามากพ่อก็ว่างหนึ่งปีไม่รู้จะไปไหนไม่ต้องปฏิบัติหลวง 24 2480 ถึง 2484 หลวงพ่อฤาศรีลิงดำได้ศึกษาพระอาทิพระครูวิหารกิจจานุกาลหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนวมโคหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกพระอาจารย์เล็กเกสโรวัดบางนวมโคพระครูรัตนภิรมย์ วัดบัดแผนพระครูอุดมวัดน้อยวัดน้ำเต้าหลวง เข้าปีพุทธศักราช 2484 เข้ามาจําพรรษาที่วัด 2487 สอบได้ 3 ประโยคได้ เพื่อไม่และเริ่มเป็นนักเทศคล้ายกับพระ 2488 พระมหาวีระฐาวโรสอบ ล่วง 2492 ออกจากวัดประยุรวงศ์ 2494 ได้รับการแต่งตั้ง 2494 ถึง 2500 ขณะนั้น 40 ปีก็อาพาธ 2 ปีครั้นถึงปีพุทธศักราช 2502 ภาย ที่วัดชิโนรสกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช 2503 ย้ายจากวัดชิโนรสมาอยู่ที่วัด 2506 ไปอยู่ที่วัดรวน ปีพุทธศักราช 2507 กลับมาอยู่วัดโพภาวนารามเริ่มรับศิษย์ 2508 ไปอยู่วัดป่าโขมะขาม 2510 ได้รับ อำเภอเมืองวันหนึ่งชัยนาทมาอยู่อรุโนวัดท่าสูง หวังหลวงพ่อท่านไม่รับปากให้เป็นกําลังมาช่วยกันสร้างวัดท่า คือผู้ทะนุบำรุงวัดนี้ไม่ 30 ปีแล้วก็ 2332 หลวงและชาวบ้านเขาก็ขอให้พักที่นี่มาเป็นเจ้าของวัด ล่วงเข้าปีพุทธศักราช 2511 หลวงพ่อได้ย้ายมาอยู่ที่วัด 6 ไร่เศษจนถึง 289 ไร่เศษ และถาวรวัตถุต่างๆสินค้าก่อสร้าง 611 ล้านบาท 2527 ได้เป็นพระราชพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระ ปี 2537 ในเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมพระเดชพระคุณ 30 ตุลาคมพุทธศักราช 2535 เวลา 16:10 ศพหลวงพ่อเรื่องศพของหลวงพ่อเมื่อสมัย 7 วัน 15 วัน เมื่อท่านมรณภาพแล้วไม่ให้ฉีดฟอร์มาลีนปล่อยให้ 7 วันแล้วยังไม่เมื่อ 7 วันแล้วร่าง ทุกคนก็นึกว่าหลวงพ่อคงจะกลับก็คิดว่าว่าหลวงพ่อ 15 วันก็มั่นใจ 15 วัน 15 วันแล้วหลัง 15 วัน สุกมีสีขาวหรือบางคนก็เรียกว่าเชื้อราลงเล็กน้อยมีสีขาว ในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์กล่าวคือทางด้านชาติได้สร้างโรงพยาบาลสมบูรณ์กล่าวคือทางด้านชาติได้สร้างยาอุปกรณ์ และทางด้านพระศาสนามงคลทั่วประเทศทางวาจาใจในในศีลในศีลและในแล 45 เรื่อง และเทป 1,000 เรื่องนอกจากนี้ยังได้แสดงธรรมเทศนาทางสถานี ถวายในพระพุทธศาสนามากกว่า 30 วัดรวมทั้งกามบูรณะ 600 ล้านบาทได้สร้างไตรแก่วัดๆอีกปี 200 ไตรทางด้าน องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการจัดตั้ง 2520 งานของ และยารักษาโรคแก่ราษฎรผู้ยากจน นับได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประวัติของพอเป็นสังเขตท่านั้นยังมีเรื่องราวต่างแห่งวัดท่าสุรที่ๆอีกมากมายเกินสุด เรื่องราวอัตชีวัประวัติของพระคณอาจารย์ในยุครัตนโกสินี้ยังมีอีกมากมายหลายสิบท่านด้วยกันซึ่งเราและขณะทีงานจะได้นำเสนอท่านพระธรรม และพระสงค์พระสงฆ์บารมีของพระราชพรหมยานเถระสวัสดี